คือ <Yeah. S 2> yeah. ว่ามีมีมากขึ้นนะพราเราก็ผมรู้จักนะอย่างพระทุกชายคนไหน่าจะรู้จักนะเดวิดเป็นแง้มรู้จักนะคุณหญิงก็น่าจะรู้จักนะอืาเขาเขาก็มีชื่อเสียงนะเป็นนักเพื่อนปนที่กเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเนา ะ, ะแล้วก็ที่จริงก็เข้าวข่าวพราวที่เป็น ่เสียก็ไม่ค่อยมีนะเสียก็เป็นเรื่องเรื่องดีๆนะแม้เขาจะแปลงสตารแล้วนะแต่ก็ยังแบบก็ยังมีขาวเทปกบบเข า, เออเขานะเป็นประจํานะเพราะว่าเหมือนไปคขาเป็นซูเปอร์สตารก็ได้นะเทปแบบนนะักนฟะุตบอลอาจจะเรื่องของนาราอะไรเงี้ยเลยนะก็มีเข า, เ, ขาเล่าให้ฟังนะบอกว่า เวลาไปที่ไหนนะเดือนนี้เขาก็เป็นพูดยูนิเซนนะไปไปท้ายไปหาเด็กในที่ต่างๆในที่เขาล่การงานมากหรือว่าไปสอนทุกบอลให้กับเด็กๆบ้างนะเขาจะมีเด็กๆมาแจ้ถามเขาว่าทำอย่างไรถ่งจะเป็นนักพลุกบออาชีพได้เขาก็จะตอบสนุนว่า ต้องมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเครื่องป้อนถึงไดเป็นนักเคกื่องป้อนอาชีพได้มาว่าอันนี้ก็มันเป็นเคล็ดลสําคัญเลยครับมาว่าที่จริงเราจะอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็แล้วแต่มาว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับที่สําคัญเลยเรต้องมีความสุขแล้วก็สนุกกับสิ่งที่เราทำํำนะอย่างได้รู้แค่เพราอาจจะ เขาอยากเป็นนักฟุตบอลเป้าหมายของเขานัุตบอลอาชีพนะเขาก็มีเขาก็ต้องเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกนะเขาถึงเนะถึงสามาราเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้เพราะว่าทุกอาชีพทุกการงานก็ถ้าเรามีความสุขแล้วก็สนุกกับสิ่งที่งานการที่เราทำเนาะ โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในอาชีพเนะี่ยมันจะมีสูงมากนะใช่ไหม้องถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเนะี่ยเราจะทำมันไดน้เรื่อยเยนะทำมัได้เป็นประจำแถ้าเราทำมันเป็นประจาทาอย่างต่อนเนื่องเนะี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จตรง น, นั้นนะเหมือนถ้าเราเรียนอย่างมีความสุขนะนะสนุกในเนื้อหาที่เราเรียน ใช่ไหมเราก็เรียนไปได้เรื่อยๆนะมีความพยายามมีความเพียรก็ <c oughs> จบการศึกษาหรือว่ามีความรู้ความเข้าใจในติ่งที่เราได้เรียนรู้นั้นมะาเอามาทำก็ประสบความสําเร็จนะมาว่านักปฏิบัติธรรมก็คิดในกันนะทานปฏิบัติธรรมก็คิดในกันมาว่าการที่เรามีความสุขในการปฏิบัติธรรมนะ หรือว่ามีความสนุกในการปฏิบัติธรรมนะมาว่าจะเป็นติ๊กอิ๊ช่วยให้เราปฏิบัติธรรมได้ประสบความสําเร็จได้นะเมื่อเราถ้าเรามีความสุขในการภาวนาเนะี่ยเวลาให้เราก็พยายามที่จะหาเวลาว่างในการภาวนานเพราะเรารู้สึกว่าภาวนาแล้วนี่มีความสุขนะแต่มาว่าทําให้สนุกไปด้วย ไอาจจ่ต้องงงเลยไม่ใช่แบบสนุกสนานะานักว่าเราพูดคุยหยอกล้อกอันแบบนะ้แต่มืว่าคำวาาสนุกอาจจะรู้สึกว่าเหมือนทำได้มันสบายทำได้มันผ่อนคลายเนาะถ้าเราทําด้วยความสุขทําด้วยความสบายทําด้วยความผ่อนคลายเนะี่ยเราจะทําได้เรื่อย เ, อเวลาเราปฏิบัติธรรมเราสังเกตนะเวลาเราเดินด้ดี ยกมือก็ดีนะหรือปฏิบัติในรูปแบบไหนก็ดีตลองสังเกตือว่าเราทํามันด้วยความผ่อนคล า, ายไหมทำด้วยความสบายไหมถ้าเราทําแบบไม่ผ่อนคล า, ายทําไม้สบายเนะี่ยมันจะรู้สึกว่ารู้อ่ามันจะรู้สึกเคร่งทําไปสักพักก็จะรู้สึกปวดเมื่อยมากกว่าปกติจนะสังเกตไหมตอนเดินจงกรมนะนะ บางทีตอาเราฝึกเดินเป็นกลมให ม, ใหม่เรารู้สึกเฮ้ยทำไมเลยแค่สิบนาทีทำไมปวดเมื่อยเป็นวันเลยเนี่ยอืมาะบาีเราก็กลัวนะเกรงนะกลัวกลัวไม่รู้นะกลัวไม่ถูกเกรงกลัวทาผิดนะเราสร้างจังหวะใหใหม่ทุก เ, เหมือนจะกลัวผิดท่านะกลัวจะลืมท่านะหรือบางคนก็ไม่อยากให้มันคิด ไม่อยากที่มันลงไอ้พวกนี้คืออาการที่เราไม่ผ่อนคลายไม่สบายนะเจอนะสังเกต ด, ดูแต่ถ้าเราลองปรับนะเนะพราะเทีย น, นจะสอนว่าเนะี่ยให้เรานะเรียกว่าทํากายที่สบายทําใจที่สบายนะนะรู้แบบผ่อนคลายนะรู้กายใคลายๆนะรู้ใจนะ สบายสบายนะไม่เพง่งไม่จ้องนะ น, นี่คือหนละักในการปฏิบัตินะเวลาเรายกมือแล้วก็ลองสังเกตดูจังหวะไหนที่ทําแบบสบายๆนะ่ะทําแบบผ่อนคล า, ายนะให้เราทําแบบนั้นนะแต่บางทีความสบายความผ่อนคล า, ายอาจจะไม่ใช่จดดนะแต่บางทีถ้าทำแล้วเกร็งทำแล้วเพง่งอ่ะให้เรารู้ทันนะรู้ทันแล้วก็ ัปบเียนางทีความเกรงความเคร่งตัดไม่ใช่อยู่แค่มือแค่เท้านะบางทีออกที่สีหน้าบางทีตั้งใจเกินไปนเนี่ยตาเป็นเคร่งช่องดูคิ้วขนวดุยหน้าตาบึงบ้งตึงนะมันมันออกมาทางสีหน้าหรือบางทีก็ออกมาทางที่ขายใจพอเราเคร่งเครียดเกินไปหายใจแบบ บางทีติด ท, ทีนะหรือว่าบทีหายใจแบบไม่อิ่มไม่ถึงท้องนะหายใจสั้นๆนีนะน่เราก็อาจจะดูดูที่ร่างกายก็ได้นะถ้าร่างกายมันผิด ป, ปกติไปเนะี่ยแต่งว่าเออเราจิตใจคงจะผิด ป, ปกติไปด้วยเนาะนะี่ถ้าหายใจสั้นผิด ป, ปกตินะหายใจไม่อิ่มทําไมรู้สึกตึงๆเครียดผิด ป, ปกตินี่แสดงว่า เออมันตั้งใจเกินไปละเราทําแบบไม่มีความสุขนะทําแบบไม่สบายทําแบบไม่ผ่อนคลายานะนให้เรารู้ตัวให้เรารู้ตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะไม่เป็นไรนะผิดไปแล้วถลาดไปแล้วก็คือประสบการณ์นะประสบการณ์ที่รู้ว่าผิดนะนะก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนะหมือนเราทํางานแนหะจะให้มันถูกตลอดจะให้มันสำเร็จตลอดนะ มันมันยากน ะ, นะแต่ถ้างานไหนที่มันร้่มเร็วงานไหนที่มันผิดเราจาได้ว่าผิดเพราะอะไระผิดแบบไห น, นเราก็แก้ไขได้ใช่ไหมเราก็แก้ไขทงต่อไปก็ไม่ทำผิดซ้ำไม่ทำผิดซ้ออีกอันนี้คือพิธีการภาวนาเหมือนเก็บประสบการณนะ์เก็บประสบการณ์เก็บช่วงมวงปิดกนะารที่เราเคยผิดเคยพลาดอะไะ คือสิ่งที่ให้เป็นการเรียนรู้นะถ้าเราทำแบบนี้คื อ, อแต่ทำผิดทำ้ลาดบ้างก็ไม่เป็นไรก็รู้นะถูกก็รู้ผิดก็รู้นะนะถ้าเราเรียนรู้เนะี่ยก็จะสนุกกับการเรียนรู้นะการบาวนาจริงๆคือมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะเรียนรู้เรื่องตายเรียนรู้เรื่องใจเรียนรู้นะว่าอะไรทุก อะไรไม่ฟุกนะถ้าเราเรียนรู้โดยนะคโัเราจะรู้ว่าทำแบบนี้มันทุกทำแบบนี้มันไม่ทุกนะเราก็เรียนรู้นะพอเรียนรู้เราก็จาได้เราก็เลือกได้เราก็ทำได้นะเรียนรู้ไปเรื่อยมก็เกิดการจาได้รู้เข้าใจแล้วก็ทำได้นะเราเรียนรู้อย่างเงี้ยเราก็้องลองจับเทคนิคตัวนี้ดูนะ มาบ้าแต่ประสบความสำเร็จในทางโลกก็ดีในทางธรรมก็ดีนะเราก็ต้องมีความสุขแล้วก็สนุกในสิ่งที่เราทนะําเนาะแต่มันก็มีอีกส่วนหนึ่งนะเนะีเดวิดไปแค่เขาก็พูดต่อนะเขาบอกแต่สิ่งที่สําคัญนะเขาบอกว่าต้องมุกมานะแล้วก็อุทิศตัวกับสิ่งที่ทํำเลยนะอืมอย่างเขาเองนะแต่ดเรียกว่า มุมานะแล้วก็อีุทิศตัวในการฝึกซ้อมแล้วก็ในการเล่นฟุตบอลเนาะเขาก็ประสบความสําเร็จในในอาชีพฟุตบอลของเขาหมายว่าทุกอาชีพตัเหนึ่นกันนะถ้าเรามีความมุกมานะแล้วก็อุทิศตัวให้กับมันจริงๆเนี่ยหมาะว่าเราโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันก็ย่อมสูงเนาะอย่างเช่นคนตั้งใจเรียนเนี่ยมุกมานะขยันอ่านหนังสือขยันเรียนเนี่ย ปนะุจนะิให้กับเวลาในการเรียนเนี่ยจะเรียนไม่จบหรอจะเรียนไม่ผ่านเนะี่ยต้องเรียนจบต้องเรียนผ่านเนาะนะเราทําอะไรก็แล้วแต่อะไรทํา ไ, ทไม่สำเร็จเราทําเนี่ยคอยเนื่อนงะทําแบบมุมาณนะขยันไปได้เลยปวดทนไปได้เลยนะมาย่อมสํเาเร็จการภาวนาต้อเหมือนกันนะออมาว่านี่เป็นหะัวใจสําคัญนะนะนะนะ ถ้าเรามีความมุม่งมนะั่นะแล้วก็อุทิศตัวอุทิศชีวิตให้กับการภาวนาจริงๆเนี่ยมันนะมย่อมสังเกตได้นะอืแต่เราแต่กล้าอุทิศ <c oughs> จริงหรือเปล่าแต่กล้าอุทิศเวลาน่้าอุทิศชีวิตเราให้กับการภาวนาจริงหรือเปล่าเรามีความสา่ญญามีความมุ่งมา่นนะในการทําความเพียรจริงหรืเอเปล่าถ้าทําแบบเล่นๆ น, นะมันก็รู้แบบเล่นๆ หลวพเทียนท่านบอกว่าคนจริงรู้ของจริงนะถ้าจะพงได้บางย่างนั้นถ้าคนที่ทําไม่จริงก็รู้ไม่จริงก็ได้นะถ้าคนจริงก็คือมาว่าคนที่ขยันอนะคนที่มีความมุ่งมาน่นนะมีความตั้งใจจริงนะโอกาสที่จะรู้นะที่จะเห็นที่จะเข้าใจเน่ะมันะสูงแล้วก็เป็นไปนได้ด้วยอย่างหลวงพเทียนเองนะ ตอนที่ท่านตั้งใจว่าจะไปศึกษาธรรมะนะต้องแบบปฏิบัติให้เข้าใจจริงๆนะท่านเรียกว่าเตรียมแผนนะตอนนั้นยังไม่บวชขาะแบบออกจากบ้านบอกว่าคิดในใจเลยว่าถ้าเราอยากเรียนธรรมะเราจะไม่ขัดนะเราจะไม่สัดมาที่บ้านอีกดูความตั้งใจของท่านนะั้นคือตั้งใจว่าจะไปปฏิบททัติธรรมจนั้นเข้าใจธรรมะให้ได้ ต้นใจแบบนในของท่านแหละไปปฏิบัติไี่งานก็เข้าใจทําดีตๆแต่มันคือความเด็ดเดี่ยวเ่ยเป็นความเด็ดเดี่ยวเป็นความเสถ่ารนะเนีเป็นความแน่วแน่ว่าอืมเราออกไปแล้วเราก็ต้องนะทําให้มันถึงที่สุดที่ได้เราเองลองบทบตัวเลยเร า, ามาภาวานาแบบคิดลองนะหรือภาวานาแบบนะ เอาแบบใช้ในชีวิตจริงจริงนะมาว่าถ้าเราทํางานาแบบชุ่มรองเราก็เหมือนก็เพียงแค่รู้รสชาตินของการปฏิบัติธรรมจริงๆรแต่เหมือนเราเหมือนเราชิมอาหารเราชิมคำสองคาเนี่ยมันไม่กินหรอกมันเพียงแค่รู้เฉยเแต่มันแดกต่างในระดับการที่เรากินอาหารจริงจริงกินไปเรื่อยๆอาจจะห้าสิบหกสิบคำนู่นถึงจะอิ่มใช่ มันเป็นความเรียกว่าเป็นความเพียรที่มันต่อเนื่องนะเป็นความมุก ม, มานะนะความขยันที่มันต้องต่อเนื่องจริงๆนะมันถึงจนะเกิดคนอะรเราภาวนา็เหอือนกันเนะมันคือมันต้องทำตัแต่ตื่นจนหลับจริงๆนะมไม่ใช่ทำแต่ช่วงเวลาที่เราปฏิบัติในรูปแบบต่ช่วงที่ปฏิบัตินอกรูปแบบนะเราก็ต้องพยายามมีความเพียรของเราเอง เพียงในการอะไรเพียนในการสร้างสติเพี่ยนในการรู้สึกตัวเพี่ยนในการรู้ทันนะความหลงนะเปลี่ยนในการรู้ทันว่ามันเผลอมันมีกิเลสเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้คือความเปลี่นนะเพลี่ยนในการเรียกว่ารู้กายรู้ใจก็ไรนะนะเรามีความเพียนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่อยหมั่นกลับมาดูนะเราจะกอะมาดูกลับมาสังเกตเรียกว่าเรา อุทิศใจนะอุทิศกายให้กับอการภาวนาเนาน ะ, ะคืออุทิศเวลาให้กับการภาวนานแม้เราจะทําอย่างอื่นไปด้วยนะแต่ใจเรานะไม่ลืมการภาวนานถ้าทําแบบนี้จริงจริงนะมันถึงจะเกิดผลได้เร็วหรือว่าเกิดผลจริงๆรินะแต่ถ้าเราจิตใจของเราไม่ค่อยมีความมุ่งมั่นจริงนะ มันก็ทําแต่งรูปแบบนะพอออกนอกรูปแบบเราก็ทิ้งมันไะปหรือเรามาตั้งใจแค่สองสมวันพอออกจากนั้นไปเราก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วนะให้แบบนั้นมันจะเกิดผลได้ได้ยากมากเราอาจจะรู้สึกว่าความปฏิบัติมันดีนะแต่มันก็พอออกจากการปฏิบัติแล้วมันก็เราก็ทิ้งมันไปนะ กลับมาปฏิบัติใหม่อีกมันก็เหมือนเหมือนต้องมาเริ่มนัดหนึ่งใหม่ไปเรื่อยนะเหมือนต้องดึงนะต้องมานัดตั้งต้นใหม่ไปเรื่อยเนี่ยมันก็เลยเนิ่นช้าเะมันก็ เ, นนกเลยได้ผลแบบเรียกว่าขัดก้อยครับะได้ผลภาคก็รู้ว่าดีนะแต่ก็ยังไม่รู้ไปมากกว่า น, นั้นโดยารู้สึกไหมโอ้ปฏิบัติก็ดีนะ เออวได้ฝนนะเอนะแต่ก็ยังไม่เข้าใจจะเพียงวปมากเท่านะั้นะแต่ถ้าเราทําความเพียรนะไปเรื่อยๆเนะี่ยคอยมันดูมันดูนะมีสติดูกายดูใจไปเรื่อยเนะ่ยมันจะเกิดด้วยความสติมันเจะกายเป็นมหาสตินะมหาคือว่าสติที่มีกําลังมากนะกาลังมากเยลยนะคือ คล้ายๆเนีเรามีกำลังร่างกายที่แข็งแรงเพิ่ขึ้นเลเนาะมันก็สามารถที่จะยกสิ่งนหนักออกไปนะได้กําลังของมหาสติก็เหมือนกันอืมแต่ก่อนมันเป็นสติสติที่มันรู้นะแต่มันยังไม่มีกําลังนะเราก็พัฒนาไปเรื่อยจนมันเป็นมหาสตนะิมันรู้มากมันรู้แบบมีกําลังด้วยนะมันจะทําให้เรา ลากกีรติออกไปได้แต่จิตใจจริงๆนะเนะ่เราก็มีความเพียรมีความมุมม่มานะนะตั้งใจจริงๆนะถึงจะเกิดผลนะเนะี่เราก็ต้องอยาพายายามเอาเรื่องนะี้มาใส่ใจของเราใี้เรนะื่อยะแต่ทําะไรก็แล้วแต่นะะเรามุมม่มานะนะแล้วก็ให้เวลาให้โอกาสสติเขาได้ทํางานไปด้วยอนะอย่าทำอะไรก็อย่าทําปีๆเนะ เราปฏิบัติในรูปแบบเราตั้งใจปฏิบัตินอกรูปแบบเองแล้วก็ไม่เอาใจเราดึงไปคอยดูไปดูไอเดียบทย่อยๆดูความรู้สึกดูสิ่งที่กระทบกับใจแม้บาทีเราทำการงานหรือเราพูดคุยกับคนเราก็ไ่ดึงดูปลายดูใจของเรานะเราไม่ใช่ไปสนใจแต่สิ่งที่ดูสิ่งที่ฟัง เราสนใจกับมาดูตัวเองด้วยว่ามันรู้สึกอย่างไรนะอันนี้คือคือเคล็ดลันะที่สำคัญของการภาวนานะแล้วก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จไดนะ้แต่มาว่าก็มีมันน่าจะมีเคล็ดักที่เพิ่มเติมนะบางทีการประสบความเสเร็จทางโลกเนะี่ยบางทีก็ใช้ เรียกว่าภาษาตเวนี้ใช้อีโก้เนาะใช้แบบแบบตัวตนหรือว่าใช้แบบความอยากทางโลกเป็นตัวที่ทต่านก็มีนะเราอยากจะเก่งเราก็แบบมุกมานะเพื่อจะเก่งเราอยากจะรวยเราก็มุกมานะเพื่อจะรวยแต่มาว่าในทางธรรมนะ่ะมันก็ต้องมีสิ่งที่มันประกอบนะนะที่ที่มากกว่นนะนะานั้นมื่อมาน ได้คุยนะกับคนขับแท็กซีนะ่คนหนึ่งนะกลับมาจากต่างจังหวัดมาเข้ากรุงเทพ น, นะคนขับแท็กซี่เขาก็เขา ก, เขาก็พูดไปเรื่อยนะก็พูดคุยธรรมะตัวใหญ่คุยธรรมะเขาเห็นพระเขาคงอยากพูดธรรมะนะก็เขาเคยบวชมาสักสีนะ่พรรษาในสาริวัตดป่ า, าเขาก็พูดเก็บเก็บประวัติครูบาอาจารย์ให้ฟังรุ่นหนึ่ง ท่านที่พูดไปเขาก็พูดน้ำตาซึมไปนะนะเขาพูดถึงเรื่องราวของครูบาอาจารย์รูปหนึง่งเาบอกท่านตั้งใจปฏิบททัติทรานมากนะจนะีวรที่ใส่ก็แบบปะนะักชุนเอาผา้าเศจเศษมาปักลอยชุนเขาเ ก, กท่านตั้งใจเดินตามหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูมมนะ่มั่นในสมหยก่อนนะ ชื่อเกอของหลปู่มั่นนี่ก็โด่งดังในหมู่นะักปฏิบัติในสายวัดป่าท่านก็ออกบวชตั้งใจจะเดินทางไปหาหลวงปู่มัน่นนะท่านก็ฝึกฝนตัวเองไปก่อนนะลองผิดลองถูกไปก่อนแต่กีบอนท่านนุ่มท่านก็เก่ขาขาัด ข, ข, ขาแบบนี้เนาะพอท่านไปนเจอหลวงปู่มั่นนะที่จังหวัดนครพนมนะนมนนะท่านไปนคนจังหวัดเลย ก็ไยเดินทางไปหาหงูมัน่นพอไปเจอหลวงปูมั่นนะหลวงปู่มัน่นท่านก็พูดว่าภาพรูปนี้คล้ายๆสโคกบจีวรก็เก่าๆก็เอามาปากเอามาชืนกันนะทำเป็นแบบสมาธิหรือเปล่านะไปออกไปจากวัดไม่ต้องมาอยู่ด้วยหลวงปูมัน่นท่านก็สอบนะภาพรูปนั้นท่านก็ มันงปูท่านไม่ให้อยู่นะปู่ศาสตร์เริ่มต้นมาก็ถ้าเป็นคนส่วนใหญ่แบบนไงเพคงแบบเก็บปาดเก็บกีวรเดินหนีไปเลยเนาะแต่ท่านก็แบบเรียนบสตาก็ท่านก็แบบไม่ว่าอะไรปูบาอาจารย์ท่านไม่ให้อยู่ก็กลาเนะ่ก็ไม่ว่าอะไรป่านก็ก็แบ่งปานแบ่งกีวรเาอแบบบปานแบบงกดเดินออกมาจากวัดจริงๆ พระพักของปู่มั่นก็ก็ให้พากไปเรียกนะให้เรียกท่านกลับมานะท่านกลับมากลับมากลับมานะนะเราต้อสอบท่านเฉเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่เมื่อวานแลวนะ้ว่าท่านจะมาอนะืเราเตรียมเเราเตรียมคุญจิไปส่งท่านแล้วนะอนะนะท่านอยู่ที่ไหนนะนะนะเราต้องตอบท่านเฉมันก็ถ้าคนที่แบบคล้าย แบบถือตัวเนาะก็อาจจะแบบพอหลวงปู่ท่านไม่ให้อยู่ก็ไม่พอใจไม่พอใจก็พึ่งท่าหรือว่าแสดงท่าทีที่มันไม่ดีออกไปถ้านก็จะไล่จริงจริงนั่นนะแต่นี้หลวงปู่ที่พูดสื่อจริงจริงของปู่ชอบปูยชอบท่านท่านมีความถ่องตนมีความพรอมเนาะถ่องตนเนี่ยเมื่อเขาลบ ตามหาหลวงปู่มั่นอยากให้เป็นครูบาอาจารย์นะท่านก็ยอมหลวงปู่ไม่ให้อยู่ก็ต้องยอมใช่ไหมยอมรับสิ่งที่หลวงปูท่ท่านว่คาคล้ายๆมันต้องทิ้งตัตตาตัวตนต น, นเองลงมาแม้ท่านจะมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านปฏิบัติก็ตั้งใจดีอยู่นะแต่พอหลวงปู่ไม่ยอมแล้ท่านก็ไปจรงนงะเป็นการทรี่ว่าไม่ถึงตัวถือตรน กับคร <PTSD> ูบาอาจารย์นักปฏิบัติธรรมจะได้ผลดีส่วนหนึ่งก็ต้องนี้นะที่บอกว่าเรามีคการณียามิตรส่วนหนึ่งการณีมิตก็คือครูบาอาจารย์นั่นแหละเป็นการณียามิตถ้าเราแบบไม่ค่อยตรงใจกับครูบาอาจารย์นี่มันก็ยากในการภาวนาะเพราะเราจะรู้สึกเหมือนคอยจับตูกจับผิดท่านนะคอยรู้สึกเออ ไม่ค่อยเชื่อมั่นในคำ ส, ำสอนของท่านเนี่ยจิตใจเราก็าจะเกิดพันเหมือนดังเลสงใจนะไม่ค่อยพุ่มกายพุ่มใจให้กับการภาวานาให้ปับธรรมะจริงๆนะม่ใหม่นักป่ิาัติธรรมเสแสก็ามากจะเป็นเช่นนั้นแหละนะเพราะว่าบันทีเราก็ยังถือทิฏฐิถือมานักของเราเนาะทิฏฐิคือความคิดความเห็น มานะัคือการถือตัวถือ ต, อตอนนะว่าเราดีกว่าเราเสมอกว่าเราแย่กว่าอนะไรนะั่นนะทิศคือความคิดความเห็นอันนี้ถูกอันนี้ผิดนะทำไมเองที่ยังรู้สึกอะไรตอนใหม่ๆทีอยู่แบบยังอยู่แบบน้องพ่อนะที่เราเรียนถือทิศต่างๆนะเราถือทิศว่าเราเคยเรียนรู้มาแบบนี้นะเราเคยคิดแบบนี้นะบางทีจำง่ายเลยตอน เปี่ยนไปหลวงพ่อบางทีเวลาจะไปในตอนหลวงพ่อวางทีสมสมติหลวงพ่อ น, นัดว่าจะไปตอนบ่ายนะพอภาคหนึ่งหลวงพ่พเปลี่ยนไปตอนเช้าเนี่ยโอความความคิดของเราที่แบบทำไมนะนัดแล้วไม่เป็นนัดเลยเนะี้ยมันเกิดอาการขึ้นมาในใจ อ, อะไรนะนีม่มันรู้สึกเราถือถือตูกคือกิดถือเหตุคือคนของเราเลยนะ้ะ หรืองทีหลวพ่อจะไปไหนไม่ทันบอกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเลยนะเราเองต้องตามแต่แต่ก่อนเราเป็นคนติดแบบกําหนดการเวลานั่นนี่แบบนี้ครับอืมมันก็แต่มาว่ามันเป็นการขัดขัดตัวเรานะถ้ามองตอนหนังก็ต้องค่อยมองย้อนกลับไปนะแต่เราต้องยอมว่าแต่ก่อนอนะตอนหนังค่อยมองด้วยความเข้าใจว่าอ๋อไอ้แบบ น, นี้มันเป็นการขัดตัวเราจริงจริงนะ ท่านอาจจะไม่ได้บอกว่าคุณต้องเลิศหรคุณต้องลดอะไรแบบนี้นะแต่ท่านทําให้เราได้เข็มว่าไอ้ตัวนี้คือสิีงที่เราติด <c oughs> ถ้าเราไม่ยอมผูบาอาจารย์นั้นเราค็ไปแต่ท่านนาะอืเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ผูกมันไม่ดีนะครับแต่ถ้าเรานะีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะแล้วก็ไม่ถือตัวถือตนมากเนี่ยมันจะทําให้เราได้เรียนรู้จากผู้รู้นะ แม้บางทีเราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่สิ่งต่างๆที่เราได้เห็นการกระทำของท่านเองก็ดีทั้งที่เราอาจจะรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจก็แล้วแต่นะแต่เราลองมองยอ้อนสบาดดูที่ใจของเราเองนะมันจะทำให้เราเห็นเห็นกิเลสที่มาเกิดขึ้นในใจของเรา อ, อันนี้ก็มันตรงกับสิ่งที่ หลวงปู่มั่นนะท่านสอนหลวงปู่ชอบเหมือนกันนะตอนที่เจอครั้งแรกนะั่นแหละพอหลวงปู่ชอบกลับมาแล้วหลวงปู่มัน่นท่านก็ให้โอวาท่าหนหลวงปู่ชอบประมาณคร่าวๆนะประมาณว่าอสิ่งที่ท่านทำมาก็ถูกแล้วนะให้ทําต่อไปเรื่อยน่ะส้าจะทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะแตดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั่นแหละ ก็รวมอยู่ในที่ใจของคนอยู่รวมอยู่ใ น, ในใจของท่านนั่นแหละนะให้ท่านค้นหาลงที่ใจของท่านนะาาาามมนั่นแหละนะท่านก็จะเข้าใจท่านจะทาคำสอนตรงนั้นนะเหมือนตอนที่เราเรียนสวดเมื่อกี้นะทำทั้งร้ายนะมันอยู่ที่ใจนี่แหละนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านะสํเาเกตเลื่อใจการภาวนาจริงเนะคือการกลับมาดูดูใจเนี่แหลนะ อะไระะที่เกิดขึ้นนะก็แล้วแต่กิเลนเนี่ยมันเกิด ข, ขึ้นที่ใจนะไม่ใด้เกิดขึ้นที่กายจะทํากายที่มีสิทเนี่ยไม่ยากนะโยมลองเป็นอภิภาษเลยีิพูดไม่ได้เลยสีเนี่ยมีสิทธนะิ <c oughs> ์ในนั้นไปทำสิทิ์ห้าข้อนะถ้าไม่มีใครมาช่วยนะใช่ไหมการทําให้กายมีสินเนี่ยบาทีง่ายกว่นนะานะหรือื่อทีเราก็สะดุดนะเวลาแบบ ไต่ก่อนเวลาเป็นงานศพนะเวลางานศพนะเนี่ยโยมก็จะมาเสก่คราะห์ฝ่าโลงเวลาฆ่าให้ศีล น, นะให้คนตายรับศีล <c oughs> ที่จริงคนตายเขาไม่ผิดศีลให้คนเป็นงานศพแล้วกินเหล้าเนะี่แหละมันผิดศีนอยู่ น, ะ <c oughs> นี่ยเองมันไม่รู้เนะ่ก็เลยไปทําแบบนั้นที่จริงกายมีศีลเนนะี่ยศีลจริงๆคือต้องใจนะ บางคนมีสี่เพราะเพราะว่าตายทำไม่ได้ฉะ น, นั้นยังเป็นแผ่เปลือกนอกนะอย่างเช่นไปทำมาพาดนะเคลื่อนไหวไม่ได้ข่าสัตรูไม่ได้ตกยุงไม่ได้ยุงมันขัดนะปวดแต่มันแต่มันตกไม่ได้เนะี่ยอันนั้นมีแต่สินทางกายนะแต่ทางใจจริงจริงยังปวอยู่ก็ยังคิดว่าไม่ใช่เป็นสีน่งจริงจริงนะแต่ถ้าเรามีสติเนี่ย เราจะรทันความโกรธในใจเรารัะความโกรธที่ใจเนี่ยที่ว่ามีสิงที่บริบูรณ์ขึ้นนะนะกายวาจาบริสุทธิ์เป็นสิ่งภายนอกแต่ใจบริสุทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งภายในเนีถ้าเราทํางานจริงๆเรื่อยๆสติปัญญาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำละสิ่งที่ใจ ทำทั้งหลายตัวมงที่ใจเท่านั้นนะใจเป็นอย่างเป็นหัวหน้ากิเลสก็เกิดขึ้นที่ใจธรรมะก็เกิดขึ้นที่ใจนี่แหล ะ, ะเราภาวนาไปเพื่อให้เห็นรู้เท่าทันใจเนี่ยการรู้สึกตัวที่ายเป็นเบื้องต้นให้เราดึงใจกลับมาจากความคิดดึงใจกลับมาจากความหลงแต่ดึงมาแล้วไม่ใช่ว่า จะรู้แต่กายเท่านั้นนะเรารู้กายเป็นเรื่องต้นให้รู้แบบพอประมาณอย่าไปจ้องอย่ามีเพ่งอย่ามีตั้งใจเกินไปให้รู้แบบรู้เล่นๆรู้แบบสบายๆนะแต่ท่านเผอมาคิดเมื่อไหรนะ่ให้เราคอยรู้ทันนกิเลสเกิดขึ้นทะี่ใจเมื่อไหร่ให้เราคอยรู้ทันนรู้ทันแล้วต้องทําอะไรไหมไม่ต้องทําอะไรนะ เรามาศึกษาเรียนรู้นะไม่ใช่มามาบังคับมาอ้านอาผลมาคมเขาเราก็แค่รู้มันรู้มันเกิดขึ้นนะรู้มันไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยมันจะเกิดก็เกิดเรื่องของมันมันจะดับกะดับเรื่องของมันนะก็ดูไปเรื่อยนันเราก็ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับการกับใจไปเรื่อยอันนั้นคือการเรียนรู้ครับเราเรียนรู้แบบนี้ไปเรื่อย เราก็ก่อนน้องไม่ใช่แต่กราบูบายการนะก่อนน้องก่อธรรมเลยคืออะไรสระาว่าทำอะไรเกิดขึ้นมาเรายอมรับทั้งนั้นแหละนะไม่ใช่ว่าอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราก็เรียนรู้สื่อสารข้อตกจริงนั่นแหละอันนี้คือส่วนประกอบเนาะที่จะทำให้เรานะ มีความก้าวหน้าในการภาวนาที่พูดตั้งแต่ตอนแรกให้เรามีความสุขมีความสนุกหรือว่ามีความสบายมีความผ่อนคลายในการที่เราทำความเพียรก็ดีแล้วต้อให้เรามีความตั้งใจมีความบุมานะมีปานพุทธิตนตั้งใจจริงในการที่จะภาวนาในการที่จะพ้นจากความทุกข์จริง ในส่วนหนึ่งเราก็ต้องอาศัยปัญญามิตรนะอาศัยปูบลาอาจารย์อาศัยเพื่อนที่เป็นมิตรในการภาวนาเนี่ยนะนะก็ต้องมีการเชื่อฟังมีการผอนน้อมถ่มตนนะไม่ถือนะไม่ถือตัวถือตอนถือทิฏฐิมันนะนะเป็นท่ามเป็นการปิดขั้นนะปิดขั้นทางที่จะที่เราจะพัฒนาจิตไปสู่พลังาความดีจิๆ นีเราก็ต้องมีคุณสมบัติตัวเนี้ ย, ย่ในใจของเราอยู่เสมอะตอนนี้เราทําได้ขนาดไหนก็ให้เราประเมินตัวเองมาเราพัฒนามากขนาดไหนก็ให้เราประเมินตัวเองไม่ใช่ว่าเราเจะดีพร้อมตลอดนะแต่การเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปนะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ได้ทําเพื่อแข่งกับใครนะ บาทีเราได้ยินครูบาอาจารย์พูดสภาวธรรมเราได้ได้ยินเพื่อนพูดสภาวธรรมดีใจผิจฉาใจอยากได้กนะลับมาดูตัวเองนะเพราะนะั้นคือเราไปมองคนอื่นนะเราอยากจะได้เหมือนเขานะเรารู้สึกว่าเราก้อีกก่าเขานะเรากลับมาดูตัวเองนะเราเพยายามจริงจริงไม่ให้แข่งกับใครนะเป็นการพัฒนาตัวเอง พัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะมันไม่เหมือนกับการกีฬานะมันต้องแข่งนะต้องแข่งทีหนึ่งต้องแข่งเพื่อเอาชนะกันนะแต่การศึกษากาพรพัฒนาจริงไม่ได้แข่งกับคนอื่นนะแต่เราเป็นการพัฒนานะพัฒนาความรู้ความเข้าใจพัฒนาะศีลพัฒนาสนนามาธิพัฒนาสติพัฒนาปาัญญา ให้มันเต้าหน้าให้มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะนะคือท่านจะเรียก ว, ว่าท่านแข็งก็คือแข่งกับความหลงแข่งกับปีดเด่นนะเอาความรู้ให้มันมากขึ้นมากขึ้นถ้าความรู้มากขึ้นนะความหลงมันก็น้อยลงมาเองอนะเหมือนเด็กตักผู่เนี่ยนะตักนตะักเดี๋ยวพระอาทิต์ก็ขึ้นนะความสว่างก็ปรากฏนะมากขึ้นนะความมืดก็ค่อยๆหายไปลงมาเองอ ถ้าเรามีสติมีปัญญามากขึ้นนะความหลงความทุกข์มันก็ค่อยๆลดไปเองนะั่นแหละถ้าจะแข่งก็แข่ง แ, แบบเนี้ยสิ่งที่เป็นนามาทํานะไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปธทําภายนอกนะไม่ใช่แข่งกับคนอื่นไม่ใช่อย่างให้คนอื่นเขาลรมนักถืแต่เราแข่งกับความหลงความไม่รู้นะในจิตใ น, ในใจนี่แหละการศึกษาแล้วนะเราต้องทำมาดูทำมาเห็นตัวเองแล้วก็ค่อยๆพัฒน า, นาไป แต่ถ้าเราก็ต้องมีความตั้งใจจริงนะเมื่อถึงจะเกิดความก้าวหน้าได้นะก็ให้พวกเราได้ตั้งใจเนาะอยาามามา่างภาวนาเพีงแค่เล่นๆหรือว่ามาจิมลองนะมันก็ดีระดับหนึ่งนะแต่มันผลที่ได้มันก็น้อยนะถ้าเราทำจริงๆนะมันก็จะเกิดผลมากขึ้นแล้วถ้าเราตั้งใจจริง มันต้องไม่ใช่ว่าเราจะต้องหนีออกมาบวชหรือวต้องหนีโรคถึงจะภาวนาได้นะเพราะการเจอสติตจริงๆเนี่ย เ, เราอยู่กับโรคแต่เราก็สามารถอยู่แบบไม่ธธติดโลกก็ได้นะเราอยู่กับผู้คนแต่เราก็รู้สึกไม่ติดกับผู้คนก็ได้อย่างพระพุทธเจ้านะวันก่อนที่ท่านจะตรัรู้นะท่านมีลิมิตอยู่หน้าอย่าง มีนิมิตอยู่อย่างหนึ่งที่ท่านทําให้เกิดความแน่ใจว่าเริอท่านแต่สะสมธรรมะแน่ท่านมีนิมิตว่าท่านเดินเดินอยู่บนคูดคูดคืออุจจาระเดินอยู่บนคูดบนโลกมีมีแต่คูดเต็มไปหมดเลยท่านก็เดินอยู่บนคูด่แต่พระปาของท่านไม่ติดคู่ก็เหมือนเป็นนิมิตที่บอกว่า ท่านเคอยอยู่กับโลกนั่นแหละแต่มันไม่ติดโลกไม่ใช่ว่าเดินแบบตัวลอยนะถือใจไม่ติดอืมไม่ติดในอะไรไม่ติดในราบยศสรรเสริญสุขทุกนิทานะได้ดีอะไรต่างๆไม่ติดตรงนั้นไม่ติดใจในโลกรธรรมตา่างๆอืมทุกเองก็ไม่ติดใจมาเป็นเพียงแค่อาการของทุกแต่ใจ มันไมไ่ติดกับทุกนะมันแยกกันได้นี่คือนีมิติหมายนะเราภาวนาไปก็เราก็อยู่ของโลกนี่แหละนะนะแต่อาการติดอาการยึดมันจะค่อยๆลดออกไปถอนลงไปเรืออร่อยๆนี่ถ้าเราภาวนาปู๋มันจะเป็นแบบนั้นเนระับแ้่เราภาวนายังไม่ได้ผลมันก็ยังมีความติดมีความยึดอยู่มากนะทั้งรูปประทาเองหรือนามธรรมเองบางทีก็ต้องระวังนะ บางทีนามาทันไปยึดความคิดความเห็นความดีความถูกความผิดนะบางทีก็ทันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะคนเราบางทีก็ทะเลาะกันเพราะผลประโยชน์เพราะวัตถุนะบางทีก็ทะเลาะกันเพราะทิฏฐิความคิดความเห็นเนี่แหละเกิดความทุกข์ใจนะเถ้าเราไปยึดนะที่ผลประโยชน์หรือยึดที่ความคิดความเห็นเป็นที่ตั้งเนี่ยเกิดปัญหาไปเรื่อยเลย แต่ถ้าเราภาวาเพื่อรู้ทันรู้ทันนะมันมีนะมีได้แต่ไม่ยึดมันมนะีมีวัตถุสิ่งของก็มีได้มีความคิดความเห็นก็มีได้แต่ให้รู้ทันถ้าเรารู้ทันนะมันจะไม่ยึดเมื่อไม่ยึดมันก็ไม่พุกเนาะอันนี้คือคือการภาวนาทีนะ่อยากจะฝากพวกเราไว้นะก็ให้เราพยายามตั้งใจฝึกกันนะ